เพราะฉะนั้นเมื่อโยคีนนำความงามออกด้วยอสุภะกรรมฐานอย่างนี้ด้วยประการชนี้ย่อมละความโลภที่เกิดในสัตว์ทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นการนำความงามออกด้วยอสุภะอย่างนี้อันนี้ชื่อว่าวินิมิตอื่นเนี่ยนะก็เรียกว่าพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตตหัวใจปอดโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกาสโดยปริเฉษมนสิการโดยประการต่างๆเนี่ยนะทีนี้ นึกไปนึกมามันไม่ชอบคนแล้วไปชอบอย่างอื่นนะชอบบริการข้าวของเครื่องใช้ทําไงดีอกุศลวิตตกเนี่ยมันชอบได้หมดอ่ะเมื่อความโลคเกิดขึ้นปารคบริการทั้งหลายปารคบาดปารคจีวอนเป็นต้นเนี่ยนะที่อยู่ที่อาศัยโยการักษาโรคก็มนสิการด้วยสามารถการพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเจ้าของแปลว่าสมบัติสาธารณะมีใครเป็นเจ้าของจริงๆรหรอกและสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นของชั่วคราวเนี่ยนะ แต่ละอย่างก็เป็นของชั่วคราวก็ใช้ชั่วคราวเอ้าบอกว่าโอ้ชอบผ้าเหลือเกินผ้าพื้นนี้สวยจริงๆให้ใช้พื้นนี้ตลอดชาติเอาไหมห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดอย่างนั้นนะนะใช้พื้นนี้แหละไม่ต้องซักไม่ต้องเช็ดไม่ต้องย้อมไม่ต้องอะไรเลยใช้ผืนเดียวเนี่ยตลอดไปนะนะซับเหงื่ อ, อไว้ตลอดเลยนะใช้พื้นนี้แหละตลอดไปเอาไหมก็ไม่เอาอย่างนั้นเลยนะแล้วไม่เอาแล้วไปติดตรงไหนอะ บางทีก็ต้องแค่เรียกว่าแสะบ่อยๆเข้า เ, าเดี๋ยวมันก็ราวเองอะนะแสะบ่อยๆเข้าเดี๋ยวตันหามันก็ราวเอกชักไม่ไหวแล้วตันหามันก็เปลี่ยนที่ชอบไปเรื่อยๆอะนะมันก็ไม่เลิกอะนะเลิกชอบอันนี้มันก็ไปชอบอันอื่นชอบอันอื่นแล้วก็ไปชอบอันนี้เป็นต้นเนี่ยนะบ <f leg i> างทีก็ชอบบ้านเอาถ้าบ้าน เ, เนี่เต็มเลือดคราบเลือดเอาไหมบางทีกุฏิงามๆหรือว่า <ôi> บ้านงามๆเนี่ยพอบอกว่ามีคนตายบ้านหลังนั้นเข้าเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วนะชักไม่เอาละเนี่ยมันก็ สถานที่ทั้งหลายที่อยู่ที่อาศัยทั้งหลายถ้าพิจารณาโดยรอบครอบโดยแยกคายจริงๆน่ยนะมันก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออันนี้เรียกว่านิมิตอื่นนี่ต่อไปเจริญไปเจริญมาเข้านึกโกรธขึ้นมาอีกแล้วทําไมดีด่าเราทําไมเนี่ยนึกงงขึ้นมาเอา๊ะทาไมมันทําอย่างนั้นกับเราพูดกับเราอย่างนั้นได้ยังไงทําไมเขาทาอย่างนั้นเนี่ยนี่ทำยังไงเข้านึกโกรธขึ้นมาตังหิตตังหิตเลยเนะี่ย พโยคีพึงเจริญเมตตาด้วยสา ม, มารถแห่งสูตรทั้งหลายเช่นอาคาตะวินยสูตรวิธีกําจัดโทสะยกตัวอย่างเช่นกะกะจูปะมะสูตรอันนั้ที่จะเรียนต่อไปข้างหน้าสูตรข้างหน้านะ่ะเอาวิธีนั้นเอาสูตรนั้นามาเจริญจะได้ระงับดับความโกรธออกไปเมื่อเจริญเมตตาอยู่ก็ล่อมย่อมละโทสะนั้นได้เพราะนนั้ถ้าโทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะการเจริญเมตตาอันนี้ชื่อว่านิมิตอืดอันนันทีนี้ต่อไป เอาไปเอามาเจริญไปเจริญมานึกโกรธฝนที่มันตกลงมาเอาไปฝนตกก็โกรธแดดออกก็โกรธเดินพื้นแข็งก็โกรธน้ำก็โกรธร้อนก็โกรธไปเตะน้ำเข้าก็โกรธไปเหยียบน้ำเข้าไปเตะตอเข้าก็โกรธไปหมดใบไม้ตกอะไรก็โกรธไปหมดเนี่ยนะจะทำไงดีกันเนี่ควรมณสิการถึงธาตุว่าพวกท่านโกรธปฐวีธาตุใช่ไหมโกรธอาโปธาตุใช่ไหมโกรธวาโยธาตุใช่ไหมโกรธเตโชธาตุใช่ไหมอันนะ โกรธรูปประธาใช่ไหมโกรธจกักขวิญญาณธาตุใช่ไมโต้เรต้องโกรธอะไรกันแน่เนี่ยนะโกรธทําไมเมื่อมนุสิการใส่ใจแบบนี้บ่อยๆก็เปลี่ยนนิมิตอื่นก็เลิกโกรธอัทีนี้ถ้าโมหะเกิดเนี่ยนี่แก้ยากหน่อยนะถ้าบรนดาไอ้ที่แก้ยากที่สุดเนี่ยก็คือถ้าโมหะเกิดขึ้นมาแก้อย่างไงบอกเธอต้องอาศัยธรรมะห้าประการมีอยู่5วิธีที่กําจัดโมหะหนึ่งอยู่ร่วมกับครู สองเรียนอุเทศคือเรียนธรรมะเนี่ยนะสามสอบถามสี่ฟังธทรรมตามการห้าวินิจฉัยในธรรมที่เป็นฐานะอาฐานะอะไรเป็นเหตุอะไรไม่ใช่เหตุอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้เป็นต้นผันสังเกตดูนะว่าอาศัยบุคคลอื่นสี่ข้อใช้วิจารณอย่างของตัวเองนี้ข้อเดียวคือข้อห้าอันดับแรกก่อนนะวิธีละโมหะย่อมละได้ควรโดย เมื่อเธออาศัยอาจารย์ผู้ควรแก่เคารพไม่ใช่สักแต่ว่าชื่ออาจารย์นำหน้าเฉยๆนะบางคนเนี่ยเรียกอาจารย์ก็เรียกไปอย่างงั้นแหละนะเรียกแต่ว่าอาจารย์เฉยๆเนะี่ยซึ่งซึ่ ง, งไม่มีความเคารพอะไรมันเน้นอาจารย์ที่เราเคารพเนี่ยนะเน้นผู้ที่เราเคารพเรายำเกรงมากกว่า น, นั้นท่านกับอมหนึ่งแล้วเราก็คิดเบิลแล้วว่างั้นเถอะแต่ว่าคนที่เก่งต้องเป็นคนเก่งจริงๆเลยแหละเพราะทาทุกอย่างมันมีผลกับเราหมด น, นะเกื้อกูลกับเราได้หมดเพรา ะ, ะอาจารย์ย่อมลงธนกรรม สิทธิ์โง่เนี่ยอาจารย์ไม่บูชาหรอกเชื่อเหรอนะแล้วท่านทนําไงก็ลงโทษอย่างเดียวเนี่ยถือวิธีหลักก็คือลงโทษเช่นไปตักน้ําอะไรร้อยหม้อห้องน้ําตรงนี้ทําไมมันน้ํามันพร่องตักน้ำร้อยหม้อหรือเวลาเข้าเวลาไปบินทบาทเนี่ยนะเข้าไปสู่บ้านไม่ประพฤติวัดไม่ประพฤติอาจาริยวัดไม่ประพฤติอุปชายวัดทอดทิ้งตุระละเลยปล่อยปลาละเลยไม่ถือเอาเป็นชิ้นเป็นอันนั่นแหละนะ มันก็เลยอะไรกว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยนะบางคนเนี่ยมันจริงๆนะมันแบบเป็นคนเลอะเลือนมากๆเลยนะที่ทำหน้าลืมหลังทำซ้ายลืมขวาทำหน้าลืมหลังใช้อันนี้ก็ลืมมานนู้นนึกอะไรได้ก็ไปเรื่อยถ้าอย่างนี้ทำยังไงโง่ขนาดนั้นก็ต้องลงโทษกันหน่อยละเนี่ยนะก็ต้องลงโทษบอกไปตักน้ำร้อยโม่เนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะวัดทั้งวัดรูปนี้ตักน้ําแต่เพียงผู้เดียวอย่างงี้ยนะ อาจารย์ก็ตกแตง่แตงแไปแต่งมาเดี๋ยวก็ฉลาดขึ้นเองแหละคนนี่มันเหนื่อยขึ้นมันเริ่มคิดได้นันางคนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คืออาจารย์ที่ที่ยังลงโทษลูกศิษย์อยู่นั้นแปลว่าลูกศิษย์คนนั้นยังเป็นที่สนใจของครูอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์ไม่พูดไม่คุยนะถ้าเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราทําผิดนะและอาจารย์เขาไม่สนใจเลยเขาไม่พูดถึงเลยแล้วเราก็รู้ด้วยประเด็นนี้มันผิดแล้วอาจารย์ก็รู้เห็นตลอดสายแล้วอาจารย์ไม่พูดอะไรเนี่ยให้รู้เธอะว่าเราถูกฆ่าเรียบร้อยแล้ว วิธีการคิดง่ายๆเลยนะถ้าเขาไม่สนใจไม่พูดไม่อะไรเนี่ยแปลว่าถูกเชื้อเรียบร้อยแล้วงั้นเพราะการฆ่าในวินัยของพระเรียเจ้าคือไม่พูดเนี่ยนะเงียบอย่างเดียวนั่นแปลว่าอุเบกขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นนี้ก็ตัดน้ําตัดไฟตัดค่าใช้จ่ายตัดการบํารุงรักษาตัดการดูแลถ้าเป็นคนไข้เรียกหมอตัดยาตัดน้ําเกลือตัดออกซิเจนตัดทุกอย่างหมดแล้วตัดอาหารตัดทุกอย่างเรียบร้อยก็แปลว่าจุติอย่างเดียวเนี่ยนะ แต่ถ้ายังแสดงว่ายังมีการฟูมฟักยังมีการลงโทษยังมีการปั๊มการช่วยเหลือการเกื้อกูลการลงโทษการใช้งานหนักเป็นต้นนี้แสดงว่าพอจะฝึกได้เนี่ยนะยังพอฝึกได้พอที่จะช่วยเหลือได้มันข้อแรกเลยก็คือว่าไปหาอาจารย์ที่เขาเคารพว่าคือเขาลงโทษเราแล้วเรายอมทําตามมาใช้ให้ไปตักน้กําก็ไปก็ก็ต้องไปหาแบบนั้น น, นนะแต่ก็มีอย่างสมัยพุทธกาลก็มีพระเทระรูปหนึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่มาก แล้วก็มีลูกศรลูกศิษย์เป็นธาตุหันมากมายแต่ตัวเองก็อยากเจริญกรรมฐานเนี่ยนะแล้วก็ตัวก็เรียนเยอะแต่เขาไม่รู้จะเจริญยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก่อนก็เลยในที่สุดก็ไปหาวัดแห่งหนึ่งที่วัดนั้นมีแต่ธาตุหันอยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยนะแม้กระทั่งสัมมาเนยอายุ7ขวบก็เป็นธาตุหันเสร็จแล้วก็ไปหาเทระองค์ที่1เนี่ยบอกช่วยสอนผมหน่อยเธอช่วยแนะนําผมหน่อยเธอองค์ที่1ก็บอกไปถามองค์รองไปแล้วกันเนี่ยนะก็ท่านก็ไปเนี่ยท่านก็สอนง พอไปถึงที่สัมมนเณนอายุเจ็ดขวบเสร็จแล้วก็เ อ, เอาไงดีสัมมนเนนก็บอกโอ้ยอย่าเลยท่านอาจารย์บอกโอ้ยท่านาสัตว์บุรุษโปรดสงเคราะห์ผมเถอะในที่สุดก็เลยเอางี้ละกันอาจารย์ครับท่านนิมนต์ลงน้ำไปท่านก็ลงน้ำเนี่ยโดยที่ไม่ต้องถอดผ้าเนี่ยก็เดินดุ่มๆลงน้ําไปเลยเน่ยนะคือแต่ถ้าลูกศิษย์ที่อธิบายมากเนี่ยนะถ้าบอกอะไรปั๊บแล้วอธิบายมากชี้แจงอยู่นั่นแหละถ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้จะสอนอะไรนะ่ยนะ บางทีรําคาญลาคาญนะบอกไอย่างหนึ่งผู้มีข้อแม้เงื่อนไขหนึ่งเป็นอย่างนี้สองเป็นอย่างนั้น3ามสีเป็นอย่างนี้เอ้ลูกไข่ฟังไข่กันเนี่ยนะถ้ามัวแต่ชี้แจงสรุว่าท่านท่านท่านเป็นอย่างที่ท่านเป็นอ่ะมันดีแล้วอย่างนั้นอย่ามายุ่งกับผมเลยไว้ท่านเป็นสุขเป็นสุขเถอะผมจะได้อยู่สบายหน่อยอย่างนั้นมาไม่งั้นเนี่ยมันก็ยุ่งกันไปหมดเนี่ยนะก็คือไม่รู้ว่าอะไรบางคนเนี่ยเป็นคนที่หนักในเรื่องอธิบายจริงๆนะนะ คืออย่างคนที่เป็นเป็นผู้บริหาร aneously, หรือเป็นครูอาจารย์เนี่ยนะถ้าเขาโง่ขนาดนั้นเนี่ยนะเขาเป็นอาจารย์ไม่ได้หรอกนีถ้าเขาอยากรู้อะไรเขาจะถามเอาเองเนี่ยนะถ้าถ้ามันมีอุปการะบางอย่างไม่ต้องไปชี้แจงให้ท่านฟังมากหรอกเพางั้นน่ยมันไม่มีประโยชน์ถ้ามันมีประโยชน์ท่านจะขอเรียนกันกับเราเองแหละถ้าเราเก่งขนาดอธิบายได้ทุกเรื่องเ่ยท่านจะต้องเรียนกับเราแต่ถ้าเราอธิบายทุกเรื่องแล้วเราต้องพึ่งท่านก็แปลว่าเราไม่ได้เรื่องอะไรหรอกไอ้ที่อธิบายนะั้นมันเป็นความเข้าใจของเรามันเชื่อไม่ได้ ที่อันนี้แหละที่เราต้องพึ่งท่านเมื่อเราต้องพึ่งท่านเราก็ฟังท่านเสียท่านบอกอะไรเราอย่า น, นัท่านอยากจะบอกอะไรเราเนี่ยนะคอยฟังท่านถ้าหากว่าคอยให้ท่านฟังเราเอ๊ะใครมันเป็นใครกันแน่เนี่ยนะอันนั้นก็อย่างที่ว่าโดยที่สุดเมื่อศึกษาธรรมะไม่รู้ใครอธิบายพระพุทธเจ้าอาธิบายให้เราฟังหรือว่าเราอาธิบายให้พระพุทธเจ้ า, าฟังมีเงื่อนไขมีกติกาอู้จนน่ารําคาญ ท่านนั้นเขามาก็บอกท่านเหตุผลน้อยๆกับ น, นี้หน่อยได้ไหมนะน่าเบื่อเหลือกเกินอย่างั้นนะย่าใมาสัยาวเลยบางทีเนี่ยประเด็นของเรื่องมันมีอยู่เท่าปลายเข็มเท่านั้นแหละถ้าอารัมพบทมาก็ว่าต้องการปลาเข็มอยู่ตัวเดียวแต่ช่วยกันวิชนะน้ําใหญ่มากนั้นติดตั้งเครื่องสูบสิบแปดเครื่องอย่างเงี้ยเพื่อจะสูา ป, ปลาเข็มตัวเดียวมันน้อยเกินไปบางทีมันไม่คุ้มค่าอะไรเลยเนี่ยนะมันคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยจะต้องขั้นแรกเลยถ้าเรารู้ว่าเราไม่ฉลาด แล้วก็ต้องหาคนที่กำราบเราได้คนที่เรายอมให้เขาหมดอ่ะนะทีเดียกว่าเขาก็ต้องเก่งเขาช่วยเราได้แต่ถ้าหากว่าโว้โง่ก็โง่เนี่ยนะแต่ไม่มีใครอยู่ในสายตาเลยก็อันนี้ก็สัเพสตาละคะเนสัเพสตาอเวราโหตุอยู่เป็นสุเป็นสุเธอเนี่ยนะมันก็อันดับแรก้าวิธีแก้ความโง่หาอาจารย์ที่ที่ลงโทษเราได้อะที่เรายอมให้ลงโทษข้อแรกนะข้อสองเรียนอุเทศเรียนธรรมะ อาจารย์ย่อมลงธนกรรมแกเธอผู้ไม่เรียนตามสมควรเช่นให้มาก็ไม่มาเนี่ย น, นะในเวลาเรียนก็ละเลยเนี่ย น, นะก็พวกนี้ก็ต้องถูกลงโทษนะก็ถูกลงโทษหรือรสาธยายแก็งำๆๆๆเนี่ยนะบางทีก็งำๆๆๆไม่ยอมจะสวดไม่ยอมจะท่องไม่ยอมจะจำอะไรเลยก็ไม่ยอมสาธยายสาธยายก็สักแต่ว่าพูดให้มันจบจบไม่ตั้งใจเป็นต้นอาจารย์แต่งอีกลงธนกรรมอย่างเดียวเนี่ย น, นะ กบทบาทก็เรีลงโทษอย่างเดียวเขาต้องลงไม้หนักอย่างเดียวแต่ถ้าพวกไหนเขาเรียกว่าลงโทษแล้วก็โซ่ยังขาดเลยเนี่ยนะถ้าอย่างงี้ก็หนาเกินไปเหมือนกันหนึ่งนะมันก็ต้องเมื่อเรีย น, นยอาจารย์ก็จะเรียนให้ข้อแรกก่อนถ้าพ ฤ, พฤติกรรมไม่ดีก็กกต่อแต่งอาจารย์ทั้งหลายผู้เก่งเนี่ยเขาจะไม่รีบสอนเลยนะเขาจะไม่รีบสอนเขาแต่งพฤติกรรมก่อ น, นนะแต่งพฤติกรรมก่อนเพราะแต่งพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วก็แต่งเรื่องวิชา พอเริ่มแต่งวิชาเสร็จแล้วก็ภิกษุนั้นก็ข้อสามนะเข้าไปสอบถามท่านนะเมื่อเรียกว่าผ่านหนึ่งสองไปแล้วเรียนมาเยอะแล้วก็ตั้งใจด้วยความเคารพว่าเรื่องนี้อาจารย์ต้องการจะแนะนาอะไรเราต้องมนานัสิการไว้สมอว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วท่านพยายามจะชี้นำเราอย่างไรคนที่ศึกษาเนี่ยนะอย่างจริงๆนะเขาบอกว่าสมัยนี้ประชาธิปไตยใครทำอะไรได้ก็ทาตามใจตัวเองนะนะ อี่จริงเนี่ยไอคำอั น, นี้มันก็พูดไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกอนะสังคมยิ่งสมัยใหม่ด้วยอยากคิดนะแม้จากตัวเองอยากจะทําอะไรก็ทําอย่างที่ใจชอบอยากจะทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทำํำไอคนนั้นถูกปลดมาเยอะตกงานเกือบทั้งหมดเล ย, ยน ะ, ะโดยเรียกว่าไม่แบ่งชนชั้นวรรณะโดยคําใช่แต่โดยพฤติกรรมเนี่ยมันแบ่งนะโดยพฤติกรรมจริงๆแล้วในโลกนี้แบ่งมากเลยแบ่งสูงมากเลยนะเรียกว่าขีดต่างกันขั้นเดียวนี้ก็แบ่งกันเยอะแยะแล้วอย่างนั้นเถอะ ไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอกเพราะเมื่อมันเกิดการแบ่งแยกอย่างนี้ทํายังไงเราก็ถ้าหากว่าเราอยู่ระดับร่างเราก็ถ้าเราเนี่ยต้องการความเจริญอย่างนั้นเราก็ต้องโอนตามคนที่เขาอยู่ระดับสูงถ้าเราต้องการอยู่ณตรงนั้นแล้วต้องการเจริญณนะ์ตรงนั้นเราก็ต้องโอนตามเข้าไปเมื่อเราโอนตามเข้าไปเนี่ยนะเราก็ต้องต้องพยายามที่จะรู้ว่าเขาประสงค์อะไรเราอย่าเอาคาําอธิบายของเราเข้าว่าเข้าใจแล้วเสร็จแล้วไม่รู้เข้าใจอะไรก็ไม่รู้อันนี้ฉลาดเกินก็ไม่ได้ เพราะว่ามันบางทีมันก็เหมือนทางธรรมะก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้จะมาเรียนธรรมะทาไมถ้ากเราเก่งอยู่แล้วไม่ใช่หรือแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยนะเออแล้วจริ ง, รงๆอ่ะมันคืออะไรจริงๆเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่ใช่ว่าบางทีเนี่ยเรื่องหนึ่งที่น่าน่าเศร้าก็คือว่าเออเอาเรื่องอะไรไม่รู้มาแล้วก็เอามาให้เรารับรองให้นะยกเมฆมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้แล้วให้เราบอกอันนี้ถูกใช่ไหม ห้ามบอกว่าไม่ด้วยนะ น, นะพฤติกรรมนี้เขาบอกว่าอย่าตอบว่าไม่ต้องตอบว่าใช่ดีอนุโมทนาสาธุเนี่ยนะโอ้ดีมากก็จริงๆแล้วมันก็มีอยู่เท่านั้นแล้วทั้งๆั ท, งที่มันผิดนะมันทําไงอ่อพูดตรงกันข้ามเขาก็โกรธอันนี้ตรงนี้ก็ถือว่าลําบากไม่ใช่น้อยนะนะทั้นคนที่ศึกษาที่ต้องการความฉลาดขึ้นก็ต้องโอนว่าจริงๆแล้วคําสอนเนี่ยเป็นอย่างไร ที่ถูกที่ควรที่เป็นเนี่ยเป็นอย่างไรพระ อ, องค์ประสงค์อะไรคําสอนเป็นอย่างไรเราคิดอย่างไงพิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นไปตามคําสอนเรียกว่าเป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นไปตามคําของเราแม้เราพูดอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นโอยสัจจวาจาเทตันมีวาจาสิทธิอย่างนั้นสําเร็จด้วยวาจาอย่างนั้นเก่งจังเลยอย่างนั้นจริงไม่ใช่อย่าง น, นงั้นเราต้องพยายามที่จะโอนพยายามที่จะสอบถามว่าท่านครับ เรื่องนี้มันเป็นยังไงอัฏฐอันนี้มันหมายความว่าอย่างไรผู้ตะโพลตรงนี้พระองค์ประสงค์อะไรพระองค์ต้องการจะบอกอะไรเราเราจะเจริญคุณังอกงามในคุณธรรมเหล่านี้ได้อย่างไรคือมันต้องตั้งโจทย์แบบนั้นเป็นนะคอเรียกว่าตั้งโจทย์เป็นต้องฉลาดถามต้องถามเป็น ไม่ใช่ไม่ใช่อธิบายให้ท่านฟังเป็นแต่ว่าถ้าเราไปถามเนี่ยนะก็ดูว่าถ้าหากว่าเราเป็นจริงๆอ่ะท่านก็คงอนุมโมทนาเองหรอกท่านไม่ตาถั่วขนาดนั้นหรอกเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะว่าใส่ใจว่าท่านต้องการบอกอะไรแล้วไอ้ที่เจริญเนี่ยในใ น, ในพระสัสวธรรมในศาสนานี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะผู้ที่ได้รับการตกแต่งอาจารย์ก็จะช่วยกาจัดความ สงสัยให้เนี่ยนะละความสงสัยในพระพุทธเจ้าละความสงสัยในพระธรรมละความสงสัยในพระสงฆ์ละความสงสัยในศิลขาละความสงสัยในอาธิศีลอาธิจิตและอาธิปัญญาละความสงสัยในาศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านก็จะตกแต่งจนเราได้ดีแหละพังงันอันนี้ข้อที่สมก็คือการเข้าไปสอบถาม